เข้ามาที่เรื่องศีลเราเลยเนอะอาชีวปาริสุทธิศีลเพราะว่าครั้งที่แล้วเราได้กล่าวถึงปาติโมฆะสังวศรศีลและก็อินทรียะสังวศรศีลปาติโมฆขสังวร น, นั้นสําเร็จด้วยปาติโมฆเนี่ยนะเว้นจากกายัตุจิริตรวจีทุจิริต น, นคนนั้นต้องมีศรัทธาศรัทธาที่ว่าคือตถาคตโพธิศรัทธากับ กรรมมัศกตัทธาเขาจึงเว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตได้ส่วนอินทรีย์สังวรศีนั้นจะต้องสําเร็จด้วยสติที่ว่าสําเร็จด้วยสติก็คือเห็นโทษของของการไม่สํารวมอินทรีย์แล้วก็เห็นอ น, นิสงค์ของการสํารวมอินทรีนะสติที่ระลึกไปในคําสอนที่กล่าวถึงโทษภัยของของการเป็น ของการมีกิเลสในขณะเห็นเป็นต้นนั่นแหละสติเหล่านั้นนั่นแหละจะรักษาให้เขาสำรวมต่อไปได้นะเพราะนั้นจึงสำเร็จด้วยสติทีนี้อาชีวะปาริสุทธิศินน่ะก็อินทรีสังวรศีลภิกษุพึงทำให้ถึงพร้อมได้ด้วยสติชั้นใดอาชีวะปาริสุทธิก็พึงทำให้ถึงพร้อมได้ด้วยวิริยะฉันนั้น นะคนที่จะอาชีพบริสุทธิ์นี้จะต้องอาศัยความเพียร น, นะเปิดเจอแล้วนะหน้าหนึ่ง้ยสาสทีนี้กล่าวต่อไปว่าเพราะว่าอาชีวะปริสุทธินั้นมีวิริยะเป็นเหตุให้สำเร็จนะคนที่มีความเพียรพยายามจริงๆนั่นแหละจึงจะรักษาอาชีพทำรักษาอาชีพให้บริสุทธิ์ได้ใช่ไหม ว่าบางคนนี่เห็นช่องทางแห่งทุจริตหน่อยหนึ่งเออนี่ถ้าทําทุจริตนะเราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างนี้หรอกอย่างเงี้ยบางคนก็ถึงกับละเมิดทุจริตสักครั้งสองครั้งแล้วคิดว่าเออชีวิตจะอยู่อย่างสบายเหมือนกันเห็นไหมบางคนนี่เห็นแก่ทุจริตเล็กๆน้อยๆนะบอกเออนี่นะถ้าหากว่าเราทุจริตครั้งนี้ครั้งเดียวเนี่ยสบายไปทั้งชาติเหมือนกันก็ทิ้งความเพียร น, นะนะก็เลยถึงกับละเมิดทุจริตกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะความเพียรที่พิสูตรปรารบแล้วโดยชอบเป็นเหตุแห่งการละมิจฉาอาชีวะเห็นไหมถ้าเป็นพระพิสูจนนี่นะในในตรงนี้ท่านเน้นพระพิสูจนมากพระพิสูจนนะใครมาก่อนย้อนกับพิสูจคือใครผู้เห็นภายในสังสารวัฏผู้เห็นภายในขันขันมีโทษไหมเห็นภายในธาตุเห็นภายในอายตนะเห็นภายในกรรม เห็นภายในวิบากเห็นภายในกิเลสจึงจะเรียกว่าเห็นภายในสังสารวัฏดังนั้นผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏอย่างนี้เนี่ยนะประารถนาที่จะให้คุณธรรมชั้นสูงเกิดขึ้นจะต้องมีเครื่องรองรับคุณธรรมชั้นสูงที่ว่านี่แหละอาชีวปาริสุทิสินหนึ่งในถ้าเป็นขาโต๊ะสีอันเนี่ยนะขาโต๊ะสีอันเนี่ยอาชีวปาริสุทิศีลก็เป็นขาอีกขาหนึ่งเหนไะขาที่หนึ่งก็คือ ปาติโมขาที่สองก็อินทรีสังวรขาที่สามก็คืออาชีวะและขาที่สี่ก็คือปั จ, จยะสันนิสิตสเนี่ยนะสำคัญเลยเสร็จแล้วก็สาเร็จเป็นโตใช่ไหมจึงจะเอาของดีๆมาวางวางวางวา ง, วางขึ้นต่อไปได้เพราะเหตุนั้นพิกสุละการสแสวงหาที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคสอนอการสแสวงหาที่ไม่เหมาะสมก็คือ ล่วงละเมิดคำสอนของภาษาสดานะเพราะฉะนั้นจะละการสแสวงหาที่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเพึงยังอาชีวะบริสุทธิ์ให้ถึงพร้อมด้วยการสแสวงหาโดยชอบมีการเที่ยวบินธบาตเป็นต้นด้วยความเพียร น, นะถ้าหากว่าไปอยู่ในป่าบางแห่งเนี่ยนะถ้าหากว่าเอาเข้าวสารเอากับข้าวกับปลาไปหุงหากินเองนี่สบายนะถ้าไปบินธบาตนี่หลายกิโล จะบินทบาทหรือว่าจะหงกินเองถ้าหงเนี่ยสบายมากเหมืงนกันนอะจะทํากับข้าวแบบไหนก็อย่างใจคิดเลยนะแต่ถ้าบินทบาทไม่แน่เพราะฉะนั้นในขณะที่หลีกเล่นเนี่ยนะในขณะที่ไปอยู่ในที่บางแห่งเนี่ยซึ่งบินทบาทไก้ถ้ามีความเพียรก็ไปบินทบาทถ้าไม่มีความเพียรนี่อาจจะหงฉันเองเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหงก์ฉันเองเป็นต้นเนี่ยอาชีพก็วิบัติแล้วนะเพราะว่าเป็นอบาบัต พระพิสูุน์นั้นทำอาหารให้สุกเองไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็เก็บอาหารค้างคืนไม่ได้ตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วเนี่ยอาหารนั้นจะมาฉันอีกครั้งหนึ่งไม่ได้แล้วต้องสละให้สั ม, มนเนหรือว่าให้ค า, ารวะไปเ <ST AN CO> พราะฉะนั้นเสพอยู่แต่ปัจจัยทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์เท่านั้นเว้นปัจจัยที่มีความเกิดขึ้นโดยไม่บริสุทธิ์เสียดุดหลีกเลี่ยงอสารพิษเชนั้น ปัจจัยสี่ที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยนะเห็นเหมือนกับอสสระพิษ <S ess im> เห็นเหมือนกับงูเมื่อไร่ <S <S <ess im> ก็สา ม, มารถที่จะรักษาอาชีพให้บริสุทธิ์ได้อย่างนั่นแหละในบรรดาปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์และที่เกิดขึ้นโดยไม่บริสุทธิ์ทั้งสองนั้นสําหรับภิกษุผู้ไม่ได้ถือธุดงปัจจัยทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากสงก็ดีจากคณะก็ดีและจากสํานักของพวกเครือหัดผู้เลื่อมใสด้วยคุณทั้งหลายมีธรรมเทศนาเป็นต้น นีนะหรือว่าเป็นพหูสูตรเป็นผู้ได้ยินได้สดับมามากเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอิริยาบทเนี่ยนะคาราวะที่เขาเลื่อมใสในคุณธรรม ท, ทั้งหลายเหล่านี้ของเธอชื่อว่ามีความเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์คือปัจจัย4ี่ที่ได้จากสงฆ์เนี่ยนะก็ชื่อว่าบริสุทธิ์นะถ้าเป็นของสงฆ์จริงๆก็ชื่อว่าบริสุทธิ์จากของคณะหรือจากสํานักของเครือข่าผู้เลื่อมใสคุณตามเป็นจริงเนี่ยนะนะไม่ใช่ว่าเลื่อมใสในลักษณะว่า อ, องค์นี้สามารถช่วยงานบางอย่างเราได้ก็เลยนะช่วยงานประเภทอนเนสนากรรมะนะซึ่งผิดธรรมผิดวินยัยนะถ้าได้ปัจจัยมาในลักษณะนั้นชื่อว่าไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าเลื่อมใสในลักษณะที่ว่ามีพระธรรมเทศนาและดีกาท่านเพิ่มว่าเช่นพวกพหูสูตรหรือว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวัดหรือว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอิริยาบถนี่นะเขาก็ถวายปัจจัย ปัจจัยลักษณะนี้เรียกว่าปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์ทว่าที่เกิดขึ้นด้วยข้อวัดมีการเที่ยวบินทบาตเป็นต้นชื่อว่ามีความเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์อย่างยิ่งทีเดียวนนะถ้าอาหารที่เกิดจากบินทบาทเนี่ยนะถือว่าบริสุทธิ์ที่สุดเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ที่ใส่บาส่วนใหญ่เนี่ยนะโดยมากไม่เจาะจงเลย อ, องค์ไหนก็ได้ผ่านมาสายหมดนะนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้น นะเมื่อเป็นลักษณะนั้นเนี่ยพระพิสูจน์ที่ไปเที่ยวบินธบาติแบบนั้นไม่ต้องไปไปทำทุจเจดีอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาศรัทธาแล้วเขาจะได้ใส่ยบารไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมคือไม่ต้องไปเอาลาบไปต่อลาบไว้ก่อนหรือไม่ต้องไปประจบประแจงไว้ก่อนเขาจึงจะใส่บาทนี้ไม่ต้องเพราะว่าเขาเตรียมของเขาอยู่แล้วนั้นอาหารอ น, นั้นก็เลยได้ถือว่าได้โดยบริสุทธิ์จริงๆแต่ถ้าได้อ่ปาปัจจัยที่เกิดจากเขาเอามาถวายเนี่ยนะ เท่ๆเรียกว่าเขานิ่ยมวลไปฉันเป็นต้นเนี่ยไม่แน่ถามว่าทําไมจึงไม่แน่เพราะว่าพระพิสูุน์เหล่านั้นอาจจะไปเรียบเคียงก็ได้นี่นะอาจจะไปเรียบเคียงไปพูดให้ความหวังไปทำอเนสนากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเลยคิดเลี้ยงอ่ะนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเกิดจากการใส่บาปเนี่ยถือว่าบริสุทธิ์จริงๆแต่ในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่าพระผู้มีพระภาคไม่อนุญาตอ่าพัดอย่างอื่นนะ พระที่เขานิมนต์ไปฉันเป็นต้นนี่พระ อ, องค์ก็อนุญาตแต่ว่าอนุญาตแล้วแต่พระพิสูรูปนั้นอย่างที่ว่าถ้าคารวาสนิมนต์ไปฉันเนี่ยนะถามว่าพระพิสูรเนี่ยจะรับหรือไม่รับนะควรเป็นยังไงก็บอกแล้วแต่ธยาสายท่านานะท่านมีสิทธิ์เลือกว่าเลือกรับก็ได้ไม่ได้ไม่รับก็ได้ถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะถ้าท่านสมาทานธุดงบางอย่างท่านก็ไม่ไปเดี๋ยวนะ อ่าพระองค์ก็ทรงอนุญาตไว้เนี่ยนะเหมือนกับเราเอาผ้าไปถวายท่านเนี่ยท่านรับก็ได้ไม่รับก็ได้แต่ถ้ารับแล้วใช้ไม่เป็นนี่เขาเรียกว่าทําศรัทธาไทยให้ตกแต่ถ้าปฏิเสธไม่รับเนี่ยนะไม่พบว่ามีที่ใดว่าพระองค์ตําหนิเลยเกินอนะ่ะแหมนะเข้ามาถวายปัจจัยสี่แล้วเธอไม่รับเนี่ยนะอันนี้เว้นไว้แต่รับเกินประมาณอันนี้ตําหนิ แต่ถ้าไม่รับนี่ไม่ไม่มีข้อตำหนิเลยนะม่พบมม้อุบาศกเขาเอาอาหารมาถาวายเธอเธอน่าจะรับให้เขาสัหน่อยนะอันนี้ไม่มีนสามารถดูได้ในในพระวินัยนี่ไม่มีสำหรับที่สูผู้ถือธุดงปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยอนุโลมต่อข้อกำหนดของธุดงด้วยวัดมีการเที่ยวบินทบาทไปเป็นต้นและจากสำนักของครหอทั้งหลายผู้เลื่อมใสในธุดงขคุณของเธอ ชื่อว่ามีความเกิดขึ้นโดยบริสุทธิ์เียนะถ้าผู้ที่ศึกษาเรื่องธุดงมาแล้วก็พวกปัจจัยสี่ที่เกิดจากการบินทบาทเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้ก็ทุดงก็บริสุทธิ์หรือว่าปัจจัยสี่นั้นก็ชื่อว่าเกิดโดยธรรมก็การสมาทานธุดงของพิสุผู้เมื่อได้สมอดองด้วยน้ำมูดเน่าและเพสัชมีรสหวานสี่อย่างเพื่อประโยชน์แก่การระงับความป่วยไข่ยอย่างหนึ่งคิดว่า เพื่อนสะพพมาจารีทั้งหลายแม้อื่นๆจากบริโภคเพสัตชมีรถสี่อย่างดังนี้แล้วตนเองก็บริโภคแต่ชิ้นสมอเท่านั้นนี้ชื่อว่าเหมาะสมทีเดียวก็ภิกษุรูปนี้เรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงขั้นสูงสุดนีนะเขาบอกว่าชื่อว่าเป็นผู้ที่สันโดดเกี่ยวกับเรื่องอยู่เรื่องยาที่สุดเลยนะเขาบอกว่ามีสมอดองด้วยน้ํามูด มูก็คืออาจจะเอาเยื่อโคเยื่ออะไรมาดองสมอเนี่ยนะกลับได้ น, น้ําผึ้งเนยใสเนยข้นเนี่ยถามว่าควรจะฉันอะไรนะตรงนี้ท่านก็บอกว่าพระพิสูตรที่สมาทานทุดงตรงนี้เนี่ยนะก็บอกว่าไอ้เพสัตว์ประเภทน้ําผึ้งเป็นต้นเนี่ยเอาไปให้เพื่อนสัพพมาจารีส่วนตัวเองก็บริโภคไอชิ้นสมออันนั้นเนี่ยนะเพื่อที่รักษาโรค ถ้าอย่างนี้ชื่อว่าผู้ตั้งอยู่ในวงของพระอริยะอย่างสูงสุดว่า ง, งั้นนี่เพราะว่าพระอริยะทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่สันโดษในปัจจัย4ี่เขาบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในอังคุตรนิกายจตุกะเนีบาทอริยวังสสูตรถึงเรื่องเกี่ยวกับสันโดษเนี่ยนะว่าสันโดษนี่เป็นวงของพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าไม่ว่าจะที่มีแล้วในอดีตที่จะมีในอนาคตที่มีในปัจจุบันเนี่ยนะ พระอริยเจ้าทั้งหมดเหล่านั้นสันโดษในปัจจัยสี่เดี๋ยนะสันโดษในปัจจัยสี่คือสันโดษตามมีตามได้สันโดษตามกําลังแล้วก็ตามนะตามสมควรหรือว่ายถาสารูปะสันโดษในปัจจัยสี่แล้วพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยยินดีในการละกิเลสแล้วก็ยินดีในการเจริญภาวนาบอกงั้นนะนี้เป็นเป็นวงของพระอริยเจ้าเดี๋ยวนะที่เคยมีในอดีต ท, ที่จักมีในอนาคต ที่กำลังมีในปัจจุบันนี้ก็มีคุณธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคือสันโดษในปัจจยัย่แล้วก็ยินดีในการละบาปยินดีในการเจริญภาวนาเนี่ยนะอันนี้คือเป็นแบบแผนของพระเรียเจ้าเพราะฉะนั้นข้อความในวิสุทธิทมรรตตรงนี้ก็ยกว่าผู้ที่ชั้นสมอเนี่ยนะชิ้นสมอที่ดองด้วยน้ำมูดเป็นต้นอย่างนี้เนี่ยชื่อว่าตั้งอยู่ในอริยวงค์ขั้นสูงสุด แต่ก็ไม่ใช่คิดว่าโอ้โหเราฉันอย่างนี้แล้วเขาจะได้เลื่อมใสอีกไหมเขาจะได้นับถือมากๆถ้าอย่างนี้มิตรตั้งจิตไว้ผิดนะปาถนาไม่ดีละนะถ้าหากว่าทําแบบนี้เพื่อจะให้คนยกย่องอันนี้ตั้งจิตไว้ผิดทำไมจึงตั้งจิตไว้ผิดแทนที่จะตั้งจิตว่าเออเราจะได้มรรค้อยสนโ ด, ดูอย่างนี้จะได้เจริญกุศลธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปแต่ตรงกันข้ามต้องการปารถนา สการะชื่อเสียงเป็นต้นเนี่ยซึ่งพระองค์ตรัสว่าเป็นของทารุณเผ็ดร้อนเป็นอันตรายต่อธรรมะที่เกสมจากโยคะอย่างยิ่งเลยนะลาบสการะเป็นต้นนั้นอะ่ะอันนั้เกี่ยวกับเรื่องต่อไปก็เลยไปหาเรื่องจีวอก็ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นเหล่านั้นอันใดในบรรดาปัจจัยเหล่านั้นอาการมีนิมิตโอภาษปริกถาและวิญญาณ ในเพราะจีวรนและบินทบาทไม่สมควรแก่พิสูรรูปใดรูปหนึ่งผู้จะชําระอาชีวะให้หมดจดเนี่ยนะคำว่านิมิตโอภาษปริกถาวินยัตจะได้อธิบายต่อไปเขาบอกว่าในนิมิตโอภาษปริกถาวินยัตเนี่ยนะในจีวอนกับบินทบาทไม่ได้แก่พิสูรทุกรูปนะถ้าประสงค์จะชําระอาชีวะให้หมดจดแต่ว่าในเสนาสนาะนิมิต โอภาสและปริคถาก็ใช้ได้สำหรับภิกษุผู้ไม่ได้ถือธุดงในอาการทั้งหลายเนี่ยนะเหล่านั้นอธิบายนิมิตก่อนนะครับว่านิมิตเมื่อกี้เนี่ยการที่ภิกษุกระทำการตกแต่งพื้นที่เพื่อสร้างเสนาสนะเป็นต้นถูกพวกเครือขัดถามว่าพระคุณเจ้าท่ทานทำอะไรใครใช้ให้ท่านทำดังนี้แล้วก็ตอบว่าไม่มีใครใช้ให้ท่านทำหรอก หรือว่าการทํานิมิตเหมือนเช่นนี้แม้อย่างอื่นอันใดก็ดีชื่อว่านิมิตเนีย่ยนะถ้าเสนาสะนะเนี่ยควรเนี่นะถ้าจะสร้างกุฏิอะไรเนี่ยนะทำเป็นเหมือนกับว่าไปกําลังเตรียมจะ ก, ก่อสร้างใหญ่เลยอะ่ะเหมือนกับทีนี้โยมเข้ามาเห็นเอ๊ท่านจะทําอะไรก็ถามไปทําเพื่อใครหรือว่าใครใช้ให้ทําบอกไม่มีใครใช้ให้ทำหรอกอนะทําให้เขาเห็นแบบนี้แล้วเขาช่วยเองแหละลักษณะนี้เรียกว่านิมิต แต่บินธบาตไม่ได้นะบินทบาตนี่จะไปเที่ยวถือบาทแล้วก็เปิดบาทให้คนดูเลยนะไม่มีอะไรสักอย่างเลยในเนี่อันนี้ทํานิมิตแบบนี้ไม่ได้นะแต่ถ้าเสนาสนะเนี่ยทาได้นนะไปเตรียมจองพื้นที่เนี่ยนะทำเหมือนกับจะวัดแผนพังเนี่ยจะก่อสร้างใหญ่เลยเดี๋ยวโยมมาเห็นก็จะถามถามแล้วเขาจะช่วยเองแหล ะ, ะถ้าอย่างนี้เรียกทํานิมิตถ้าเสนาสนะทําได้แต่ถ้าบาทเนี่ยไม่ได้เปิดบาทให้ชาวบ้านดูเลยเนี่ยไปถึงร้านอาหารก็เปิดนี่ไงบาทนมาว่างตลอดเลย ถ้าอย่างนี้ทํานิมิตรแบบนี้ไม่ได้จีวอก็เหมือนกันเนี่ยนะไปที่ไหนก็โหโชว์จีวอเลยนะตรงนี้เปื่อยเยอะแล้วโยมตรงนี้ผุหมดแล้วเนี่ยไปเล่าแบบถือนิมิตเนี่ยนะไปเดินจีวอนขาดกระลุ่งกระลิงให้เขาเห็นเพื่อที่เขาจะได้ถวายอย่างนี้เรียกว่าถือทํานมิตเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะจีวอนไม่ได้เนี่ยนะการที่พิสูจนถามว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายท่านทั้งหลายอยู่เออ ท่านทั้งหลายอยู่กันณที่ไหนนะเมื่อเขาตาบว่าอยู่ปราสาทพระคุณเจ้าดังนี้แล้วก็กล่าวว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็ปราสาทย่อมไม่ควรแก่ภิกษุดังนี้นะใดพูดแบบนี้เขาเรียกว่าโอภาส <c oughs> หรือว่าการทําโอภาสเห็นเช่นนี้แม้อย่างอื่นใดก็ดีชื่อว่าโอภาสทําให้เขาพูดพูดให้เขาสว่างให้เขาโล่งเลยนะให้เขาเข้าใจเลยเอา้าวโยมอยู่ตึกอาตมาอยู่ตึกมั่งไม่ได้เลย พูดไปในลักษณะนี้โอสแสดงว่าท่านอยากได้ตึกอยู่ถ้าลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าโอพาสแต่ถ้าบินถ้าบาดไม่ได้นะโยมเมื่อเช้าทานอะไรมาบอกว่าเออทานกับข้าวอย่างนั้นอย่างนี้อา้าวแล้วอย่างนั้นผ้าฉันไม่ได้เลย อ, อ, อย่างนี้ไม่ได้นะโอภาสแบบนี้ไม่ได้ใน ใ, ในในเรื่องของอาหารทําโอภาสแบบนี้ไม่ได้อาหารหรือว่าจีวอนเหมือนกันโยมใช้ผ้าอะไรผ้าป่านผ้าโทเรผ้าเลนินผ้าอะไรเอาผ้าแบบนั้นผ้าใช้มั่งไม่ได้เลย ถ้าพูดลักษณะนี้เรียกว่าโอพาษในจีวอนในจีวนกับในอาหารไม่ได้แต่เสนาสนะได้แต่เขาจะให้เลย อ, อีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คำว่าโอพาษนะต่อไปการที่ภิกษุพูดว่าเสนาสนะของภิกษุสงฆ์คับแคบดังนี้ก็ดีหรือคำพูดโดยอ้อมที่เป็นไปเช่นนี้แม้อย่างอื่นก็ดีชื่อว่าปริคถานะ ริกาถาถ้าเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะแบบนี้ได้แต่จีวอนกับบินทบาทไม่ได้ย่มแม่ช่วงนี้อาหารพระไม่ค่อยพอฉันเลยอันนี้พูดอย่างนี้ไม่ได้นะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะถ้าถ้าไม่ใช่ปาวารณากับไม่ใช่อุปถักรนะไม่ใช่ไม่ใช่คนปาวารณากับไม่ใช่ญาติอุปถักกับปาวารณาคนละอย่างนะเพราะนั้นถ้าถ้าอุปถักรคนที่ปาวารณาก็คือคนที่เอ่ยปากไว้แล้วเนี่ยสามารถพูดได้แต่ถ้าเขาไม่ได้ปาวารณาไว้นะ พูดอ้อมๆอย่างนี้ก็ไม่ได้โอ้ตอนนี้อาหารพระไม่ค่อยพอช้นเลยเนไะหพูดแบบนี้ไม่ได้นะถ้าอาหารนั้นเขารู้โอ้โหช่วงนี้ท่านไม่ค่อยพอช้นนแล้เาเรื่มสายใหญ่เลยแล้วเอามาถวายเพิ่มอันนั้นเนี่ยถือว่ามาจากอาชีพที่ไม่ดีเนไะ <c oughs> จีวอนก็เหมือนกันนะนะมจีวอนปีนี้เนี่ยไม่ค่อยพอเลยแล้วเล่าให้เขาฟังลักษณะ น, น, นี้ก็ไม่ได้เหมือนกัน ในเรื่องจีวรกับบินทบาทเนี่ยรู้สึกเคร่งครัดมากเแต่ถ้าเสนาสะนะนิมิตโอภาษปริกถาอันนี้ทำให้ก็ได้แต่เขาจะให้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับในเพสัชคือยาอาการตามที่กล่าวแล้วนั้นย่อมใช้ได้ทั้งนั้นเห็หสำหรับยาเนี่ยขอตรงๆได้เลยถ้าป่วยนะบอกบอกขอยาตรงๆเนี่ยได้ แต่เมื่อโรคสงบแล้วพิกษุไม่ควรที่จะบริโภคเพสัตร์ที่เกิดขึ้นแล้วโดยอาการนั้นคือหมายความว่ายาที่ไปขอคนที่ไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นปรวรณาเนี่ยนะไปขอเข้ามาถ้าโรคสงบแล้วก็คือหายโรคแล้วไม่ควรฉันต่อไปเห็นไหในการบริโภคเพสัตร์นั้นพระวินัยทรทั้งหลายกล่าวว่าพระผู้มีประภาคประธานช่องเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นจึงควรออฉันได้ไม่เป็นได้ถึงหายโรคแล้วเอามาฉันต่อได้ ส่วนอาจารย์ผู้ทรงพระสู่ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าไม่เป็นอาบัติก็จริงแต่จะทำอาชีวะให้กำเริบได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ควรแก่พิษูุผู้ตั้งอยู่ในสัลเลขะปฏิบัตินั้น น, นัอน น, อนนี้กล่าวถึงเรื่องของการเกิดขึ้นแห่งปัจจัยสี่แม่พระนี่จะจะใช้ปัจจัยสี่นี่ก็นนะับว่ายากเหมือนกันนะมีหน้านะพ่อแม่สมัยก่อนเอออย่าไปบวชเลยลูกเออ อยากได้เย็นก็ได้ร้อนอยากได้ร้อนก็ได้เย็นยนั่นแหละครงั้นแต่พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาว่าเขาห้ามไม่ให้บวชนะไม่ใช่นะ